เม่ ว, วิมูลมานประสูตริพระโอรสแล้วเรื่องจึงแจมแจ้งขึ้นว่าการที่โหราจาร์ทำนายว่าลูกของขบ aja จ, จะเกิดมาเพื่อเผาผลาญแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องของการยุยงของผู้สึงเกียรติชังวิมูลมานอย่างที่สุดและให้สินบนโหราจา์อย่างมากสมเด็จพระราชบิดารับสั่งว่าเมื่อประสูติแล้วให้กลับพระนครแต่ทั้งขบจ้าและวิมลมานตกลงใจจะไม่กลับเสียแล้ว พอใชได้วยความสุขอย่างสงบในป่านี้ข้าพเจ้าเคยพบฤาษีผู้สาเร็จวิชาชั้นสูงสามารถดูอนาคตได้เหมือนมองเห็นภาพในกระจกใสและเล่าเรื่องสุบินิมิตของวิมนลมานให้ท่านทราบท่านพูดว่าความจริงคือตรงข้ามกับที่โหนทํานายคือว่าลูกชายของข้าพเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตในการภายหน้าจะนาความรุ่งเรืองมาสู่แคว้นปัญจลและแคว้นใกล้เคียง โดยวิธีซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อนเลยข้าแต่ท่านพวกเพต็ตะบัตรข้าพเจ้าเบื่อพระนครหลวงเบื่อความวุ่นวายสับปรับของสังคม ความแข่งแย่งจริงดีและใส่ล้ายป้ายสีในสังคมซึ่งมุ่งมั่นแต่จะสแสวงหาประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครอื่นข้าพเจ้าถือเป็นโชคของชีวิตอย่างใหญ่หลวงที่ได้อาศัยอยู่ณที่นี้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะไม่ต้องเป็นทาสของใครเป็นอิสระอย่างแท้จริงข้าพเจ้าปรารถนาจะเล่าสู่ท่านฟังแต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยมานานแล้ว ข้าพเจ้าใคร่จะฟังโอวาจากท่านผู้ทรงศีลพอเป็นมงคลแกโ่โสดและเป็นอาภรณ์ประดับใจพระราชา ก, กุมาตรดังนี้แล้วประทับเฉยอยู่ปลายประจิมยามแล้วแสงจันทร์สลัวส่องเข้ามาทางหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นเงาไม้ทึ่อยู่ไกลตะคุ้มตะคุ้ม เสียงไก่ป่าขันเจือแจ้วิเวกวางเวงเสียงน้ำค้างตกถูกใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านเป็นครั้งคราวดังปอปอๆพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐประชับอุตราสงฆ์ให้แนบกายแล้วกล่าวว่าราชกุมารพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัส ด, ด้วยว่าไม่มีความสุขใดเสมอได้ความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี่เอง ตราบใดที่มนุษย์ยังวุ่นวายสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่ทันการสแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้หลายเรื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลที่ลงทุนวิทย์น้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียว มนุษย์ส่วนใหญ่มัวว้าวุ่นอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกลามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่ต้องแบกเกลียดเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงว่า ตนเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความร่มเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตนให้จมอยู่ในขาวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบนว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาก็แบกหินวิ่งไปตามถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวาง จกุมารเอยคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกลับกรอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสน า, ศาด้วยอาการดังกล่าวนี้โลกจึงเป็นเสมือนว่าระ ง, งมด้วยพิษไข่อัรุ่เรือรงตลอดเวลาภายในอาคารเมือมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้น มักบรญจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้ที่มีความสงบอยู่ที่โคนไม้ได้อย่างไรราชกุมารการสแสวงหาทางออกอย่างท่านนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปกอดกองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาพอดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคากับคนจนๆดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกระลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันความจริงมันอยู่ที่คุณภาพของน้ำไม่ใช่คุณภาพของภาชนะนี่เป็นข้อยืยนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสาคัญอย่างท่านอยู่ที่นี่มีความพอใจแม้กระทอมที่มุงด้วยใบไม้ ท่านก็มีความสุขกวาอยู่ในพระราชฐานอันโอ้อาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสนเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย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 จึงมีเรื่องแย่งลาบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไหมว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งใส่เดือนกันแล้วก็จิกกันตีกันทําลายกันจนพินาศไปทั้งสองฝ่ายหน้าสังเวชลดจิตริ่งนะักถ้ามนุษย์เราในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เชื้อจานอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงมงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราก็คือลดความโลภความโกรธและความหลงของเราเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นมากขึ้นเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้น ขณะนั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหน้ากระท่อมจูงมือเด็กคนน้อยคนหนึ่งมาด้วยเข้ามาใกล้และนมัส ก, การพระพุทธานุชาพระราชกุมารจจตุรงค์ขพลแนะนำขึ้นว่าท่านผู้บำเพ็ญตบะนี่คือวิมลมานพัญญาของข้าพเจ้าและนี่คือบุตรน้อยของข้าพเจ้า ทั้งสองนมัส ก, การพระ อ, อ น, นุลอีกครั้งหนึ่งเจ้าชายจึงตรัสถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญนามและประวัติความเป็นมาแห่งข้าพเจ้าท่านได้ทราบโดยตลอดแล้วทำไงข้าพเจ้าจะได้ทราบนามของท่านบ้างสําหรับเรื่องราวของท่านถ้าท่านยังไม่รีบจาริกไปที่อื่นข้าพเจ้าคงได้ฟังในวันพรุ่งนี้ราชกุมารอาตมาภาพมีนามว่าพระ อ, อ น, นุล อนุชาแห่งพระมหาสมณะโคตมะสากยะมุนีออกบวชจากสากยะตระกูลพระราชากุมาและวิมลมานแสดงอาการตื่นเต้นยินดีเป็นที่ยิ่งก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตรัสว่าท่านผู้ประเสริฐเป็นลาภและเป็นมงคลอันสูงยิ่งสำหรับข้าพเจ้า ที่มงคลบาทของท่านผู้ประเสริฐได้เหยียบย่างลงณับริเวณกระท่อมนี้ข้าพเจ้ารู้จักนามและเกียรติคุณของท่านดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นอง์จริงเท่านั้นแต่บาดนี้จวบจนสิ้นลมปรานข้าพเจ้าทั้งสองขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่ระลึกเป็นผู้นําทางในการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้า หลักคำสอนในศาสนานี้ช่างเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมาดีเหลือเกินพระพุทธอนุชาอนุโมทนาต่อเจ้าชายและครอบครัวด้วยอวยพรให้มีความสุขความสงบและเมื่อเขาลากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งแล้วท่านก็ชักอุตราสงข์ขึ้นโครงกายหันศีรษะไปทางทิศอุดร น, นอนด้วยสีสายยาตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่นิทรารมอันสงบสงัดลมพัดเบาๆแสงจันทร์สลัวยังคงสาดส่องเข้ามามองดูรูปกายของพระพุทธอนุชาประดุษก้อนทองคำอัมภัยพัน ตลอดเวลา40ปีหลังพุทธปรินิพานพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เที่ยวจาริกไปโปรยปลายพระธรรมรัตนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนชาวชมพูทวีปแทนองค์พระบรมศาสดาเกียรติคุณของท่านคกอกก้องระบือไปทั่วพร้อมๆกันนั้นแสงสว่างแห่งพระธรรมก็ส่องฉายเข้าไปทำลายความมืดในดวงใจของประชาชนประหน่งฝน โปรยปลายลงมาชำระล้างซึ่งสิ่งโสโครกในดวงจิตคือกิเลสสะวะน้อยใหญ่บุคคลผู้ต้องการได้รับแล้วซึ่งความสะอาดสว่างและสงบได้ลิ้มรสแห่งความสุขซึ่งเกิดจากธรรมเป็นความสุขซึ่งเลิศกว่าสุขใดๆในโลกด้วยประกาปราชนี